ท่านอาจารย์มั่นท่านว่าใจอีพาาษาเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่ า, าจะเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี่พรานนั้นท่านเดียวเป็นภาษาเดียวความนึกออกมานึกเข้าใจโดยเวลาใช้ออกมาตางคำพูด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 นั้นเข้ากันได้โดยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแก่นหรือแก่นของสกุลรากายเราเป็นแก่นอันหนึง่งซึ่งเป็นของแข็งหรือเป็นของเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเหล่านี้ได้แก่ใจนี้เป็นหลักใหญ่ อาการที่เกิดขึ้นจากใจที่เปความคิดความปรุงก็เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความหมายถึงความกระเพิ่มของใจกระเพิ่มขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดกันอะไรทั้งหมายถึงสัญญาอืยาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารคือปรุงแทบนั่นเป็นสังขารสัญญาคือความหมายมีความ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 แปล ว, ว่ากองหรือแปล ว, ว่าหมดมีการเกิดการดับอยู่อย่างนั้นเป็นประจำแม้พระคีนาศพท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญชนทั่วทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าขันองท่านเป็นขันล้นล้วนไม่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาหรือชให้ทํานั้นปุงนี้คิดนั้นเป็นขันที่คิดโดยธรรมชาติของมันเอง เรียวกว่าเป็นอิสระของขันโดยไม่มีอะไรมาบังคับให้คิดนั่นให้ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างกิจสามัญช น, ท, นทั่วๆไปหรือเหมือนอย่างขันสามัญช น, ท, นทั่วๆไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันล้งสามัญช น, ท, นทั่วๆไปก็เหมือนนักโทษที่ถูก บ, บังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงความสําคัญมันหมายต่างๆ เหล่านี้ด้วนแล้วตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้ให้สำคัญสคัญมั่นหมายนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นนเรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันเหล่านี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระกีนาศพคือพระอรหันต์ท่านท่านไม่มีปรุงก็ปรุงธรรมดา พอปรุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อไม่ยืดเยื้อไม่กดทวงจิตใจเพราะไม่มีอะไรบังคับเหมือนดังขันที่มีกิเลสปกครองหรือมีกิเลสเป็นหัวหน้ามีผิดกันที่ตรงนี้แต่ความปรุงนั้นน่ะเหมือนเหมือนกัน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 ไม่ดับเราจะพูดว่าจิตนี้ดับไม่ได้เราจะพูดว่าจิตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหาในเรื่องเกิดเรื่องตายที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันไปที่กําเนิดเกิดที่นั่นทีน่นี่แสดงตัวอันเป็นอันญาบออกมาเกินเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นดังนั้นจึงไม่มีสําหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้ว แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ฟนูนี่แหละไปแสดงแค่ น, นั้นไม่ใช่อะไรคือจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละอันนี้ไม่ไม่ตายอเสียงพระชนนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโลกจะพ่ออย่างยิ่งคือโลกมนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญคุณโทษต่างๆ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 คืออำนาจมัธยนาบุญญาไปผ่านที่สร้างมาโดยลําดับลําดานับตั้งแต่อดีตมาโดยลําดับจนระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นลําดับเห็นเมื่อวานนี้เป็นอดีตสําหรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตสำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาแล้วคันทั้งนั้นแล้วหนันกันไปเป็นลําดับลํำดั บ, ดบจนระทั่งจิตมีกําลังกล้าสามารถเพราะอานาจแห่งความดีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วผ่านพ้นไปได้ คำว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาแล้วจะปะเกิดในพบที่ละเอียดขนาดไหนก็าตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติแสงอยู่นั้นจึงไม่มีผ่านไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่ได้แตจกิจพระอระหันต์ท่านจิจพระพุทธเจ้าอะพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องพระวังคีสัก ระวังกีสะท่านเต่งมากตั้งแตท่านเป็นคารวาสใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูหรือเป็นอะไร ก, ก็พูดไม่ถนัดคงเก่งทางไสยศาสตร์นี่แ้าภาษาปัจจุบันนี้ใครตายนี่เขาเอามาให้เคาะกระโหลกทิสษะป๊กปอกป๊ปอกปอ ก, อกำหนดดูทราบมานี่ไปเกิดที่นั่น อันนั้นไปเกิดที่นั่นเช่นไปเกิดนเป็นสัตว์นรกก็บอกเกิดในนรกกรร็ก็บอกไปสวรรค์ก็บอกไปเป็นสัตว์เดชานไปเป็นเป็ดเป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอันบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้เคาะกะโหลกศีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันอันนี้คืพอไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็เอาศรีรษะพระอรหันต์ไม้เคาะ เอาลองเคาะที่นี้ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบกนมอะไรเงียบไม่ปรากฏว่าเจ้าของของกระโหลกศรีรษะนี้ไปเกิดที่ไหนจนกรอบพูดอย่างคงไปลงมาว่าไม่ทราบที่เกิด อ, อันนี้วางแล้นทีแรกพระวังคีษานี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาด จะไปแข่งกับพระริจ้านั่นแหะคุณง่ายๆแต่เวลาไปถึงพระริจ้าแล้วพระองค์เอากระโหลกศรีรษะพระอาหารมาให้เคาะอย่างนี้มาติดตรงนี้ทีนี้ก็อยากจะเรียนต่อถ้าเรียนได้แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วอให้เรียนสำนักพระริจ้านั่นแหละที่นี่ก็สอนวิธีให้สอนวิชาให้ให้เคาะกะโหลกนี้ได้ให้เข้าใจนะสอนวิชาวิชาธรรมนี่ไปปฏิบัติไปปฏิญัติไปเลย เลยพระวังคีสสะเลยสำ เ, เาาร็จอรหันขึ้นมาใช่ไหมรือโดยไม่สนใจจะไปเคาะทิศะใครนอกจากเคาะทิศะเจ้าของรู้แจ้งชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะทิษะที่ถูกต้องนี่แล้วยกถึงยกเรื่องกิจที่ไม่เกิดขึ้นมากระโหลกทิศะของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วมาเคาะก็ไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งทั้งที่พระวังกีสสะแต่ก่อนเก่งมาก นี่เป็นอย่างนี้จิต ท, ที่บริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้เช่นพระโคทิกะก็เหมือนกันอันนี้กนหน้าเป็นคติอยู่ไม่น้อยท่านไปบำเพ็ญสมณธรรมจเจริญแล้วขึ้นไปโดยลาดับลาดับแล้วเสื่อมลงจเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกขนขนที่เจ็ดนี่มิโกนมาเชือดคอตัวเองและ แ, แต่ท่านก็เป็นพระอหันต์ในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญามารก็มาตามค้นหาวิญญาณของท่านค้าผูดภาษาของเราก็เรียกว่าตลบเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอพระพทเจ้าท่า น, นรับสั่งมาว่า การที่จะค้นหาวิาญญาณของประโคติกะที่เป็นบุตรของเราซึ่งเป็นผู้สําเร็จเรสร็จสิ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวงนั้นจะขุด จ, จะค้นจะพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่เจอคือว่ามันหมดวิสัยของสมมติแล้วจะเจ อ, อยังไงมันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะค้นให้เจอนี่ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสําหรับคนมีกิเลสที่จะไปทราบจิตของพระอรหันต์ท่านได้ ในวงสมมุติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันต์ท่านได้เพราะท่านนอกสมมุติไปแล้วนี่แหละจะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดูจิตของเราที่กำลังล้มลุกคุกคลานอยู่เวลานี้ก็ตามเมื่อได้ถูกชำระเข้าไปโดยสม่าเสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรแล้วจะค่อยละเอียดไปไละเอียดไปละเอียดนถึงที่สุด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 ส่วนจิตนั้นไม่ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายความสามารถในอาณาธรรมจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายและคำที่จะสามารถให้บรรลุทมขั้นต่างๆได้จนกระทั่งถึงมิมุติุพ้นไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีการไม่มีกฎเต้นจะบังคับกันได้ขอแต่ความสามารถอำนาจวัสน า, าของตนพอแล้วเป็นอันว่าผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้น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 เป็นกรรมฐานสำคัญบทหนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกอนาปารสติจะเป็นธรรมที่ถูกกับจริยนิสัยของคนเป็นจานวนมากกว่าธรรมบทอื่นนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติภาในจิตใจของเราให้ได้รับความสงบเย็นเมื่อใจเริ่มสงบเราก็จะเริ่มเห็นสาระ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 จนี่เป็นของอัศจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับลาดับลำดั บ, ดบนในจิตดวงเดียวนี่นะ่ะการชำระการอบรมเพื่อความสงบการพิจารณาค้นคว้าแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องภายในจิต ใ, ใจด้วยปัญญาซึ่งเป็นมิธีที่จะทำจิตให้ก้าวหน้าหรือจะทำให้ถึงความจริงของจิตอันแท้จริงได้โดยลำดับลาดับด้วยการทาดังที่กล่าวมานี้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 ขอให้ทำใจั้งเราได้ให้ใ ห, ให้มีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งตนเองได้ส่วนจักรนการนี้เราก็พึ่งเข้ามาแล้วตั้งแต่วันเกิดทราบด้วยได้ด้วยกันพาอยู่พานอนพากับพา ถ, ถ่ายพาทาการทํางานทำมาหาเลี้ยงจีพทั้งชายเขาทั้งเขาใช้ยเราทั้งเขาบังคับเราทั้งเราบังคับเขามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละบังคับเขาให้ทํางานแล้วเขาก็บังคับเราทุกเนี่ย ว่าไงแล้วเจ็บนั่นปวดนี่ก็ต้องไปหาอยู่ค้ายาก็เขานั่นแหละเป็นคนเจ็บแล้วเขานั่นเปูหาอยู่้ายาเงินทองเขาของกับเขาละหามาอะไรอะไรหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้นี่เลยไม่ทราบว่าใครเป็นใหญ่กว่าใครท่าขันกับเรามันเราบังคับเขาได้ชั่วการแล้วเขาก็บังคับเราได้ตลอดนี่การเจ็บไข้ได้ป่วยการหิวการกระหายการอยากหลับอยากนอนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องกองทุกซึ่งบังคับเราทั้งนั้น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 อาศัยเข้ามามากแล้วเวลานี้มันชำนุดย์จุดโสมกับสาวมันชำนุดอันไหนที่ควรจะใช้ได้อันไหนที่มีความสามารถภายในตนเองคือจิตใจแล้วก็ให้เล่นอยู่ภายในใจของเรานี่ไม่ขาดผลไม่ขาดประโยชน์ให้ใจมีหลักมีเกณฑ์อยู่มีหลักตายก็มีหลักเกิดที่ไหนก็มีหลักอันดีเป็นที่พึงพอใจเพราะคําว่าบุญแล้วไม่ผิดความคาดความหมายไม่ผิดหวัง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 ร่างกายหรือธาตุขันยังเป็นไปอยู่นี้เมื่อถึงอาวสานอย่างที่วีแล้วมันหมดวิสัยด้วยกันนั้นแหละจะทําได้ยังไงมันสุดวิสัยแล้วจะทําได้มากน้อยต้องหยุดในเวลานั้นเรียกว่าหยุดงานพักงานได้แล้วอโน่นพบใหม่ต่อไปนู่นที่ควรจะทําได้แล้วก็ทําถ้าผ่านประสียมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงต่อไปนี่นะนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นหลักใหญ่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 ยอมรับกันไปเรื่องของกรรมมันเปลี่ยนมันจกนกระทั่งมันพ้นไปได้มันก็หมดปัญหาการแสดงธรรมก็เอาเพียงแค่นี้ต่อไปท่านปรญยาอธิบายให้ท่านนี้ฟังส ม, มาธิเวลาจิต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 ควรู้ไม่ได้สืบต่ออะไรทั้งหมดขันนี้ไม่เกี่ยวกัวนเลยนั่น ค, คือข้าคือคือที่พูดรู้ว่าเวลาที่อยู่ขั้นอภนานี้อ่าสัญญาขันเวทนาสัญญาสัง ข, ขารวิญญาณอะไรพวกนี้ดับั้งหมดดับราลงทันที่ดับทที่ครับไม่เหลือเลยอ่ะแล้วตอนนี้เวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยทําไมถึงรู้ครับรู้ตานมันถ่าน ม, ามันมายุ่เงเลย ตอนนั้นมายุ่งนะตอนนี้มันดุ่งนะมึงถึงได้พูดกันคือตอนนั้นมายุ่งตอนนี้มันดุ่งถ้ามันมันจะมีสักอย่างเดียวนั้นมันก็ไม่ได้มาพูดกันนี่เพราะมันมีการยุ่งเขามาเกี่ยวข้องมาเป็นคู่แข่งเหมือนที่ได้บอกแต่ตอนนี้มันยุ่งว่าไงเข้าใจไางเี่ยวันนี้เรานอนหลับสนิทแล้วเราเทียบกันหลับสนิทถ้าหลับสนิทใครจะว่าพูดได้ตื่นขึ้นมาแล้วแหมเมืคืนหลับสนิทดีเลยเหมือนตายว่ะเนี่ยแต่สมัยท้ามัน มันลับสนิท ด, ดีรึอะยังนี้หมายความสัญญาเราเราเราู้ได้ด้วยไรครับือเรารู้ได้สัญญารู้ได้ไ ด, ด้วยสัญญารู้อะไรที่รู้ว่าหลับสนิทนี่ยนะคะรับความันต่างคนต่างเคยลับสนิทแล้วมาถามทำหมนี่คุณชาวก็เคยหลับสนิทเหรอนี่ต้องมาถามอาจารย์ถ้าว่าคนเคยหลับสนิทแล้วก็ไม่ควรถามนี่มันเป็นการขายตัวเองนี่นะ แล้แล เ, เราเราก็อเป็นสัญญาของเราเนี่ยนะไปจับเอาตอนที่มันมสนิทเพระนั้นไม่รู้ว่ามันสนิทไม่สนิทเหรนะแในตอนนั้นนะพอออกมาแล้วความรู้อัญชัญญาเนี่ยไปจับตัวเดิมนะมาพูดถ้าสัญญาไปจับตัวเดิมมาพูดก็หมายความว่ามันไม่ได้จับสนิทกันสิครับถูาากไหมคว่าเวลาที่ถึงขณะที่เอจิตเป็น สมาธิถึงขั้นอัปนาสมาธิแล้วตัวตัวสัญญาขันก็ไม่ได้ไม่ได้ดับสนิทถึงเไปไปจำมาได้แล้วคุณชายเขาใจมันดับสนิทมีไหมมันหับสนิทมีไหมล่ะก็ผมว่ามีครับหดับสนิทแล้วคุณชายเคยหลับสนิทดี้ไหมวะอ๋อผมเคยหมายถึงนอนหลับสนิทใช่มครัเคยครับแล้วเนี่เอามาพูดได้ไหมล่ะคุณชายเอามาพูดได้ไหมไหมว่คุณหลับสนิทดี ตื่นขึ้นมาแล้วแม่ก็คืนอีหลับเปน็นอีกดีบางทียังเย้ก็อยู่ว่าแหมเหมือนตา ย, ยเลยว่าอะไรอันเดียวตอนนั้นมันก็แม่อะไรล่ะตอนถอนมานี่มันก็ไปจับเพรานั่นคือจีนี่มือราทํางานต้นงไปจับเอรานั้นมาพูดตอนไม่ทํางานก็มีเฉพาะคือจิตเวลาขนาดที่มันหลับขนาดนั้นแล้วมันก็มีอะไทั้งหมดนี่ เรื่องอาการวันนั่งหรืออะไรมันไม่มีนะอะไรอะไรทั้งหมดมันไม่มีมันพูดได้แต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าคําว่ารู้นี่มันปฏิเสธไม่ได้นะครับมันห่อสักแต่ว่ารู้ถ้าคําว่าสักต่วรุ้นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งต้งยิ่งกว่าอะไรอีกแหละอันเนี้ยที่ว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ะแต่ไปแยกอะไรอีกไม่ได้มันต้องเป็นสองมันมาทันทีแยบไม่ได้เลยเราจะพูดได้แต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้น นี่แหละมันดับจริงมาดันเขาจะมาเราเรานั่งอยู่หรือนอนอยู่หรืออะไรเนี่มันมันมันแยกออกมาไม่ได้วันเถินนะแยกออกมามันก็เป็นมันก็มาท่าบมันเป็นอาการนอนอาการยือนอาการเดินนี่นะแยกมานี้ไม่ได้นะขณะนั้นมีอันเดียวแล้วพูดเม่อกมพูดไม่ได้เลยพูดง่ายนะเราจะพูดได้แต่ว่าสัตว่ว่ารู้เท่านั้นนี่เท่านั้นแต่ว่าสัตวเท่านั้น พูดอย่างเต็มปากก็ได้ได้แต่ว่าสัตวต่วรู้ตอนนี้พอสัตแต่ว่ารู้ถึงขนาดนั้นเนี่ยตัวสติกับตัวปัญญาแล้วก็ตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดเช่ไหมครก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไงถ้าสติจะมาทราบว่าเรายิ่งอย่างนี้เหมือนเราทํางานด้วยสติอยู่นะมันไม่มันไม่มีคือเวลาเราทํางานด้วยสตินี่มันสติก็ตั้งท่าใช่ไหมล่ะปัญญาก็ทํางาน นั่นเป็นธาตตั้งท่าตอันนั้นไม่มีกระธาตุนี่ไม่มีเพราะเราจะว่าสติไม่มีหรือว่าสติลงรวมอยู่ในจุดเดียวก็ถูกคือสติไม่ทํางานเวลานั้นนะปัญญาก็ไม่ทํางานมีแต่จักรวาลู้ซึ่งเป็นอันเดิมจักรวารู้ไม่ไม่แสดงอาการเพนคืออาการนี้นก็ได้เกิปัญญาได้เกิดสติป็นอากาศไม่ไม่แสดงเหมือนกันตอนนั้นนะครับพอมีผู้รูอ้อยู่ตัวเดียวใช่ไอ่า ผู้รู้ตัวเวจะว่ารู้เด่นๆอย่างเราคาดกันนี่ก็ไม่ถูกนะได้แต่ว่าสับแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ตามภูมของหญิ่มเหมือนกันนะอัศจรรย์ไม่เล่นเหมือนกันทำงานมันมันดับผ อ, อมาในขนาดที่เป็นงั้นเรารือว่าไม่มีอะไรจะแตะต้องจะไปแตะต้องเราไม่ได้เลยต้องสับแต่ว่าเท่านั้นจะอยู่นานแค่ไหนเหมือนกัน แต่นี่เวลาภาวนาใครจะไปฆ่านะไม่ได้งั้นเนี่ยฆ่าไม่ได้มันต้องเป็นธรมติหลักธรรมชาติของมันเองมันเป็นของมันไปเองเราจะไปฆานี่ไม่ได้เรื่องเลยอยากยี้มเล่าให้ฟังนี่คือผู้ภาวนานอกจากฆานี่พอเถอะเภาณเราถ้งเราเป็นอย่างนั้นนั่นไปฆาดก็ไม่ได้เรื่อง <Yeah. S 1> นจะเป็นยังไงก็ตามเราอยากไปผ่าผ่าเราแค่ให้จิตเราเป็นอย่างนั้นท่านว่างันเราแคให้เป็นอย่างนั้นท่านว่ามั้นเราแคให้เป็ น, นั้นไม่ต้องคือเราให้ให้รู้ตามความจริงความเป็นของเรามันเป็นยังไงให้รู้ตามนั้นเท่านั้นเองทำไมต้องไปไปหยิบอนนี้โยกปชนน้นหยิบนี้โยกประชันนู้นไม่ได้สุกทีการการที่จิตพ้นการที่จิตพ้นนี้ ในนักชิตกบุคคลบุคคลในสมายในในเวลากิจนะวัตรในะนดับใระดับเศรษฐกิจธรรมดา ก, ก็ไม่ดถูกอยู่ในย่านกลางเพียงข้ามนนนะข้านนพอรับทุัพยากรจากทีกเ้าว่าอีกสเดือนก็เราจะเป็นผู้ที่เกเร ก็ดีโตกดีใจ่าถึงนันละวันจะทำสักไคร่หน่ายผมวิชาทํานทรงท่าไว้ท่นน่การจะทำสักใค่าาหน่ายะกรงก็ทรงทราบไว้แล้วแล้วก็ท่านนายะ น, นว่าโนนจะเสียใจคือตอนนั้นพระนนรอไข่นี่ตอนที่วิชาจะไปนิพ่านและวอาธรรมาจะเสียใจเธอจะเป็นผู้ไม่มีเป็นผู้สิ้นชีวิตไม่มีทีิตใน วันทำายในน่นแลเรูคจะยอก่นี้นะกที่พระนก็ขึดนั่นพอถึงวันนั้นก็เล่นความเพียรสม่ำนี่นยก็มีแต่จะตัดจะบรรลุจะบรร ล, ลุท่านั้นแล้วทีนี้งานก็เลยไม่ทาที่บรนม่แจะบรรลุท่าเดีเ ย, แ ย, ยวแไงกระทั่งจะสว่าพอสว่าขึ้นมาตอนทาน่าตอนหลังก็จะทำกายในจะทำเพียร้วย เป็นแย่เอ้ทางานนี่ไม่ได้เลือกเพรอะไรนั่นน่ะคือถอนอุปทานที่มันไปยึดมันอยู่ น, นี่นะทำงานร่วมตัวนอนนอนนี่พอนอนยังไม่ถึงหมอนอายะบุสีคุณเรียกว่าอายะบุสีก็อันนนนะแปลว่ายืนก็มาใช่เดินก็มาใช่นั่งก็มาใช่นอนก็มาใช่คือพอเอลงไปจะถึงหมอนพอเอลงไปยังไม่ถึงหมอนมันลุก ขณะนี้อาจารย์ธรา ม, มเพียรก็ตั้งท่าทางต่อความบรรลุธรรมก็ เ, เลยลืมคํานึงถึงงานของตัวเองที่จะทําทำงานจะเป็นบรรลุไม่บรรลุนี่วเกษตรบรรลุก็กกจิตมันก็ไปอยู่โน่นแต่มันไม่ทํางานไม่ถูกอันนี้ตอนเห็นว่ามันอาจะรย์ได้สว่างได้ทำไงมัตนตรงนี้ก็จะทำนักข่ายไงแล้วแล้วก็ทา ง, า ง, างการทำนกายนายนี้เราก็จะทราบ จ า, าจากประสงค์ว่าจะปฏจจาพนุนไปไม่ได้เพร็ะระนเป็นตรงรูปแม้จะยังไม่ถึงนืดพ้นเป็นพระหลานก็ตามแต่ถระนุนแต่ไม่พรณนไปไม่ได้นะี่งานตาอใครนานาาา น, านี้พรณนนจะต้องเข้าสู่ที่ประคุนง า, า, านใครงานนี้แน่นๆแลการหลวงพระพุทธเจ้าก็ต้องทำ น, นายไว้แล้วด้วยเขาอย่งไปยึดแต่วก็เห็นทางวิกรรแล้วก็ ทอดุละนะคือความคิดมันอยู่นี่มันก็นนกนปล่อยไปหมจิตตอนที่เป็นกลางๆแล้วนี่คือปล่อยอะไรมาเป็นกลางๆาองพับออกองนั้นเพ จ, จิตลงในสมาธิตรนช่แล้ทงานอะไรอยู่ก็ไม่เชิงก็บรรลุ อ, อุตัองเลยค่ะทงกาจิตมาร ว, ว, วมกลุนแล้วอยู่เสมอแล้วก็เห็นเอ ง, เองนี่แม้แต่ขณะที่บรรลุ ก, ก็ต้องเป็นกลางๆนี้มัชฌิมา นี่มัจจุมาหนะการบรรลุธรรมไม่ใช่จะเป็นบรรลุในสังของสมาธิ ท, ท, ท, ที่เรื่องแบบนั้นมันเปไม่ได้ที่มาบรรลุในครืงขง่ัจจายปัจจัยถ้าจะว่าปาาาัจจัยมันกำลังถุดมุนวยยัย น, นะมันก็ออยังไหนาต าการนี่ก็ม่ชนิดกัเหมืนกันนะที่มันชนิดก็คือชนิดกรที่เป็นกลางจี่เป็นกลางช น, นิดใจมากคาลาภพินาเป็นข น, นุนวานนี่นั่นนั่นก็ ม, มันรู้ครับจิดเข้าไปอยู่ที่เดียวแนวเลยอนนี้มันก็เข้าอยู่เหมือนกัไม่ใช่ที่แต่ตอนต อ, อาองเป็นกลาง กลางของจนะิตไม่ใช่กลางสมาธิงูนนะไปอยู่ในสมาธิงูนไม่ได้อยู่กำลังทางานนี้เห็นเรากาลังพิจารณนี้อยู่เี่พระพิจารณ์ปล่อยจากนั้นมาในรูปตา่างนี้อันนี้มีทางล้อันมันลุกกันตามตามมาแล้วมันก็ขณะจิตเดียวเนทะ่านั้น แท็บเดียวอะนันถ้ า, ารวมตัวมันหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกับรากแก้วอนีถอดถอเอดียวทรากฟแล้วมัขาดมาหมดแลวนี่เนอจรากแก้ถอนเวดเดียวมัมดะไรเรตัดกัมาหมดตัดกหมดตงการองสมูทดึงการู่งเฉยๆเพื่อฝ่ายเรมันถอนออกมาหมดแล้วอนี้่ยทีนี่มันถอกัมาหมด มหมดหมดหมดหมดมดแม้แต่ขันด้วยความมันหมดไปนี่มันก็เลยพิกิตต์นั้นเข้าดีนั่นเลนีคือที่เรียนรวมตัวเขาเรียกว่าเป็นวิชารุนร้วนอาการของวิชาก็ออกมาทางทางผู้เสียสิริมงคลในฝัดออกมาทางท้าองุ่นปลายขันคืองานงานต่างขันวิญญาณเนในการคือที่เรียกเป็นออกตามอาการนี่ทางทางเดินน้ำมันคือง่ายนะนี่ตัดเข้าไปตาเข้าไปด้วยปัญญา ไล่ต้เขา้าไปมันเข้าใจนี่มันปล่อยเข้าใจนี่มันปล่อยขว่อยเขไปปล่อยขาไปเราไปรวมทั้งอะไรก็เข้าใจหมดในขันท่าเข้าใจหมดรวมตัวแล้วอันนี้ไม่ติดอแล้วติดแล้วความุ่งเอกดพองไม่ถามแต่ภาษาเาเรมกกขนาเดียวฮตนะ้ ว่าในอะไรท่านแด่งพูดว่าคุรยาผููชนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระญาบุคคลท่านทศด h a ได้เนี่ยท่านมีเคล็ลับเคล็ดลับเนี่ยทศด h a ไม่ช่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระอนาคของของของธุรกิจราคาได้ธุรกิจราคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอนาคาได้ถ้ะอาคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระรหันได้ถ้าก็ลําดับเป็นไป ถ้าอาหารไม่สามารถแก้ปัาทเจ้าได้ะเจ้ า, านนเป็นพุทธวิสัยนี่มันมีเพสมีเพสมีเพสเพสอนหนึ่งขนะที่จะบรรลุธรรมะนี้เป็นยังไงมันเคยเรีย น, น, นหลักธรมชาติคุณนี้นเอาหลักธรมชาติมนไปถา ม, นานมคู้นั้นผู้นั้นไม่เคยไม่เคยรู้นี่ถามบ้ากติด ป, ปุ๊บเลย <refrigerator> อ้าวครั้นี้มันมีเคล็ดลับคุณลูกกรุงนี้ลูกหุวพา น, นินจนี่มันเป็นอย่าง น, นี้ แล้วเอาจุดนี้แหละที่ออกเคล็ดให้ไปถามพู้นั้นผูนั้นยังไม่ผ่านนี้มันก็ไม่รู้เคล็ดาอ น, นาคตรู้ยังไงทั้งนี้ว่าอนาคตคิดถึงทันหน้าที่ยังไงมันขนานเป็นไปนยังไงเนี่ยถามป้าติดถ้าว่าเป็นผู้รู้เดียกันแล้วพอถามป้าตอบกันทีเลยเงยพออาหารเนี่ยก่ อ, อนนี้ท น, นท่นเรียเป็นยังไงใส่ป้าเบียรเท่านั้นอย่างอะไ ร, เ, ไรเพียงถามเมือแ้วท่านจะเข้าใจแล้วนี่ มันทำไจะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถามพวบทั้งที่เข้าใจพรอบแล้วเนี่ยมันเข้าใจพร้อมแล้ ว, แ, ลวแต่ยังไม่ตอบแล้วการตอบมจะยากอะไรไ <c oughs> อ้สมการที่ว่า <c oughs> นี่หน้านี่หน้าอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องอ่นี้นะมันแล้วกระทัะครอบหี่นี่หน่าอีหน้าอะไรมันก็จะไปเห็นเลยนี่น่าฟ้านี่น่าฟ้ามันก็เท่านั้นแล้วก็ไม่เห็นมีแต่กระทะครอบอยู่นี้ผมเปิดแล้วมันเห็น พูดเรื่อง่านเานแล้วนะเลาใคมาพูดเรืองภาวนาซึ่งฟังมันก็เหมือนเรามนครูนั่งอูเข้ายื่น่งโตหนเด็กชนทะเลาะเถียงกันจุ้งมนเรื่องบลกน่กแล้วใครไปไปถูกครูฟังเนี่ยครู้หมด แต่เด็ ก, กคนนั้นก็บอกของตัวถูกว่าของตัวถู ก, กเถียงเัินยุ่งเนี่ยจะครูรู้หมดนอกจากจะตอบไม่ตอบไม่บอกบอกไม่บอกนั่นเข้าใจไหมละ่ะครูรูร้แล้วว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายผิดฝ่ายไั้นเป็นฝ่ายบวกผิดบวกถูกมากๆคุณนานะรู้แล้วครูนี่เหมือการที้งนั้นคุณพับคุณที่ฝ่ายนั้น เ, เข้าใจทันทีจริที๋ยวเสนอนามันก็ตามหรืานพูดขึ้นมาก็ตามท่านจะเข้าใจทันที นั่เป็นนั้ำยาจะพอน้ำยาเผาอุจจาระนั่นเป็นการพู ด, พ, ดพูดงานหรือเอาคนงานหรืออาจารจะสอนคนนั้นผูมาศึกษามาอาเรื่ะงนะมันเล่าให้อาจารย์องค์นี้ฟังนี่นะถ้าอาจารย์นี้ไม่สามภูมิสู้องนั้นมาได้นี่แต่อาจารย์นี้ถือว่าตัวเป็นอาจารย์แล้วอธิบายไปก็ขายกภูมให้คนนั้นฟั ข้านถ้าเ้าบตองน่และคือถ้านม่เข้าใจแล้วจะอธิบายไม่ได้เลยคุ้มภาพปฏิบัติทำไมติดกันเพราะ่นั้นเล่าเป็นมาอันนี้จะตอบถึงอ้าไม่ได้โดยที่เราถือว่าเราเป็นอาการแ้ไม่รู้เราก็เป็นอาจารนั่นเียว่าเลยีถ้าขายตันั้นเ้เองนั้นนะผิดกันนะ่ถ้าทางนี้ผ่านไปแล้วพระธานภูมิทันถึงจุดไหนที่จุนั้คุณนัต้องขายปับขายป้าเบือร่นั้นเข้าใจทานยอมนักขันถี่มา ไม่เนทั้เขาเข้าปฏิบัตคลิกกันมากมายาราิจารณาธมันก็เหมือนกับว่าเปิดหัวใจให้กันดูตเองะว่างก็มาถานั่นคุยธรรมะไปตรงไหนเรื่ปฏิบัติท่างมาจาไห่าบัมันเล่านต่างกพอคู่กันนั้นมอนก็มาาเปิดจิตให้กันดูเลยเพราะร่างว่าทางนี้ข่้เลยข้าใจขนาดไหนรู้กระทานถสินมเหมือนการจดจำมา ถ้าไม่เข้าไม่รู้ไม่ผ่านไปก่อนแล้วอธิบายไม่ได้ไม่ทราบจะอธิบายได้ยังไงเนื้อกระทะข้อหัวนั่นแหละผ่าน ม, น ม, นมนาแล้วมองมายะพอพุพ่มแพมทาแบบี